ต่อไปนี้พวกเราจะฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อจะได้มีความรู้ที่จะปลุกให้พวกเราตื่นจากความหลงความหลงของพวกเราก็อยู่ที่ลาบยศสรรเสริญ อยู่ที่ความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายถ้าเรายังถือว่าราบยศสรรเสริญถือว่าความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายเป็นที่พึ่งของเราเป็นความสุขของเราก็แสดงว่าเราไม่เห็นความทุกข์ที่มีซ่อนอยู่ ภายในลาบยศสะรรเสริญภายในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแสดงว่าเรายังไม่เห็นธรร ม, มสี่ข้อด้วยกันคือเทวทูตสี่คือเรายังไม่เห็นความแก่ยังไม่เห็นความเจ็บยังไม่เห็นความตายยังไม่เห็น ความสุขที่จะได้รับจากการบําเพ็ญจากการปฏิบัติธรรมถ้าเราเห็นความแก่ความเจ็บความตายในร่างกายของเราและได้เห็นความสุขที่เกิดจากความสงบจากการบําเพ็ญจิตตภาวนาเราก็จะเตินขึ้นมา จากความรุ่มหลงในการสแสวงหาลาบยศสรรเสริญในการสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเราจะเห็นว่ามันเป็นของที่จะต้องเสื่อมหมดไปเมื่อร่างกายแก่ลงไปเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อร่างกายตายไป ถ้าเราเห็นว่าความสุขที่เราได้จากราดยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสุถัพภะนี้จะกลายเป็นความทุกข์ไปในเมื่อเวลาที่เราแก่เจ็บตายเราก็จะได้เห็นภยัยของ ราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกิน่นรสพวดตาปาแต่ถ้าเรายังไม่ได้เห็นความสงบที่เกิดจากการบำเพ็ญจิตตะภาวนาทำจิตใจให้สงบเราก็ยังจะไม่มีกำลังพอที่จะต่อสู้กับความหลง พยายามดึงให้เราติดอยู่กับลาบยศสารเสนติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างคุณธรรมทั้งสข้อนี้สร้างเทวทูตทั้งสี่ข้อนี้ให้เกิดขึ้นมาให้เห็นความแก่ความเจ็บความตาย อยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามเจริญสติให้มากเพื่อที่จะได้นำใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้เพราะถ้าใจเข้าสู่ความสงบได้ใจก็จะได้มีทางออกจากการหลงติดอยู่กับ ราบยศสรรเสริญติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระพุทธเจ้าทรงได้ทร ง, งเห็นเทวทูตทั้งสี่ประการนี้อย่างชัดเจนจึงทำให้พระองค์สามารถสละราชจสมบัติสละราบยศสรรเสริญ สระความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ออกบาเพ็ญจิตตภาวนาได้อย่างเต็มรูปแบบคือได้ออกบวชนั่นเองเพราะพระ อ, องค์ก็เคยได้สัมผัสกับความสงบทางใจเวลาที่พระ อ, องค์ทรงประทับอยู่ตามลำพังแล้วจิตของพระ อ, องค์ก็ รวมลงเข้าสู่ความสงบส่งเห็นว่านอกเหนือจากความสุขทางราบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วยังมีความสุขอีกรูปแบบหนึง่งคือความสงบมีความสุขคือความสุขที่เกิดจากความสงบ ข, ของใจที่ไม่ต้องกังวล กเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องกังวลกับความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสปวดตทรงเห็นว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ทรงเคยตัดไว้ว่าผู้ใดที่ยังหลงระเริงอยู่กับความสุขทางร่างกายทางลาบยกสรรเสริญทางตาหูจมูกลึ่นกายก็เหมือนแบบคนที่จัดงานเลี้ยงฉลองในขณะที่บ้านของตนเองกําลังไฟไหม้อยู่แต่ไม่รู้ว่าไฟกําลังไหม้บ้านของตนโมแต่จัดงานเลี้ยงฉลองกัน บ้านของพวกเราที่กําลังไหม้อยู่ก็คือร่างกายของพวกเรานี้ไหม้ด้วยไฟของความแก่ไหม้ด้วยไฟของความเจ็บไข้ได้ป่วยไหม้ด้วยไฟของความตายแต่ทางที่เราจะหาทางออกจากบ้านหลังนี้เรากลับมาจัดงานเลี้ยงฉลองกันแล้วเดี๋ยวพอ ไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างเต็มที่เราก็จะต้องถูกไฟที่เผานี้เผาเราไปด้วยเผาใจไปด้วยร่างกายแก่เจ็บตายนี้ก็จะทาก็จะเป็นเหมือนไฟที่เผาบ้านและเผาเราที่มาอาศัยอยู่ในบ้านนี้ด้วยเพราะเราติดอยู่กับบ้านหลังนี้ เรามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้มันก็เหมือนกับเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ความจริงแล้วความแก่ความเจ็บความตายนี้เกิดขึ้นที่ร่างกายเพียงส่วนเดียวไม่ได้ไปเกิดที่ใจด้วยเพราะใจไม่มีวันแก่ ใจไม่มีวันเจ็บใจไม่มีวันตายแต่ใจต้องพลอยมาเจ็บมาแก่มาตายกับร่างกายก็เพราะความหลงความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นใจพอร่างกายเป็นอะไรใจก็คิดว่าตนเองเป็นไปกับร่างกาย ถ้าได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็จะสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ออกจากบ้านที่กำลังไฟไหม้ได้ถ้าเรามาศึกษาหาทางออกกันแทนที่จะมัวแต่มาจัดงานเลี้ยงฉลองกัน เรามาบำเพ็ญกันมารักษาศีลมาทำทานมาภาวนากันอันนี้จะเป็นวิธีที่จะพาให้เราออกจากบ้านที่กำลังถูกไฟไหมอ้อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเลยอย่าไปหาลาบยศสรรเสริญกันเลย เสียเวลาไปปล่าๆเพราะจะทำให้เราไม่สามารถหาทางออกจากบ้านที่กำลังไหม้นี้ได้ตอนนี้ไฟกำลังไหม้บ้านนี้อยู่เราต้องหาทางออกหาทางหนีทีไรออกจากบ้านนี้ไปจะดีกว่าเพราะถ้ามัวแต่มาจัดงานเลี้ยงหาความสุขกันอยู่อย่างนี้ไป พอไฟลุกไหมจนออกมาไม่ได้ปิดทางหมดแล้วเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจนี่คือความสำคัญของเทวทูตสีที่พระเจ้าสงสอนให้เราพยายามเจริญอยู่เรื่อยๆให้หมันพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมีอาการ32ถ้าแยกอาการ32ออกมาแต่ละอาการก็จะ เห็นว่าเป็นเพียงอาการนั้นๆเท่านั้นไม่ได้มีตัวตนอยู่ในอาการเหล่านั้นเลยแยกผมบอกมาดูเราถามตัวเองดูว่าผมนี่คือตัวเราหรือเปล่าแยกขนออกมาแยกเล็บออกมาแยกฟันออกมาแยกเนื้อออกมาะ แยกอาการต่างๆออกมาดูแต่ละอาการแล้วลองพิจารณาดูว่าอาการเหล่านี้เป็นตัวเราเหรือก็จะเห็นว่ามันก็เป็นเพียงอาการที่ได้มาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปที่พ่อแม่ให้มาตอนที่ตั้งอยู่ในครรภ์แล้วก็จะริญเติบโตด้วยอาหาร อาหารก็คือดินน้ําลมไฟนี่เองแล้วเมื่อร่างกายนี้แก่ลงไปตายลงไปตายไปอาการทัาถสองนี้ก็จะแป่สภาพไปส่วนที่เป็นน้ําก็แยกออกไปส่วนที่เป็นไฟก็แยกออกไปส่วนที่เป็นลมก็แยกออกไปเหลืออยู่ส่วนที่เป็นดิน ก็ผุเปืยกลายเป็นดินไปในที่สุดนี่คือการถอดถอนใจให้ออกจากร่างกายให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลมไปเป็นอนิจจังคือเป็นของชั่วคราว มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดอย่างนี้ก็จะทำลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทำลายโมหะาอาวิชชาความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราที่จะให้ความสุขกับเราด้วยการแสวงหาลาบยศจัดรเสริญ หาความสุขทางตาหูจ ม, มูกนิ้งกายใจก็จะยุติการสแสวงหาลาบยศสรรเสริญสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสวภชภาแล้วก็มาบำเพ็ญจิตตะภาวนาเบื้องต้นก็ทำใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วก็ออกเวลาออกจากความสงบก็พิจารณา ทาตขันอยู่เรื่อยๆพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาอ น, นิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายพิจารณาอนัตตาว่าเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำนมไฟพิจารณาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของใจที่ก็อยากให้ร่างกาย ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งเป็นไปไม่ได้ร่างกายของทุกคนนี้เป็นเหมือนกันหมดเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายถ้าเรามีความแก่ความเจ็บความตายคอยเตือนเราคอยคอยปลุกเรา เราก็จะไม่รุ่มหลงอยู่กับการสารหวงหาความสุขทางราบยศ ส, สรรเสริญทางตาหูจมูกริ้นกายเราก็จะหันมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการทำทานการที่จะเอาเงินทองที่เราหามาได้นี้ไป ซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆเราก็เอามาทาทานเอามาแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนให้เขาได้มีความสุขมากการให้ความสุขกับผู้อื่นแบบนี้จะทำให้ใจของเรามีความสงบจะทำให้ใจของเรามีความสุข ที่ได้ระงับความอยากหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองแล้วก็จะทำให้เราไม่อยากจะทำบาปเราก็จะตั้งอยู่ในศีลในธรรมได้เวลามีศีลนี้ใจจะเย็นใจจะมีความมั่นคง เวลาทำบาปใจจะไม่มั่นคงไม่มีความมั่นใจจะมีความหวาดกลัววิตกกังวลแล้วพอเรามีสีมีความสงบใจมีความมั่นใจมั่นคงเราก็จะสามารถที่จ ะ, จะเจริญสติเพื่อที่จะทำให้ใจ เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ได้เราจะมีเวลาเพราะเราหยุดการสแสวงหาลาบยศสรรเสริญหยุดการสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้นกายเราก็จะมีเวลามาบาเพ็ญมาบวชกันจะบวชสั้นบวชยาวก่อนก็ได้เรื่องต้นจะบวชอาทิตย์ละวันเช่นวันพระ ก็บวดกันไปอยู่แบบนักบวญเอสิ่งแปลแล้วก็จเจริญสติเพื่อบำเพ็ญสมถะ ภ, ภาวนาถ้าได้สมถะภาวนาแล้วก็บำเพ็ญวิปัสนาภาวนาตามลำดับต่อไปเริ่มต้นก็เอาอาทิตย์ละวันก่อนเช่นวันพระ หรือวันที่เราสะดวกพอสมัยนี้วันพระอาจจะไม่สะดวกกับเราเพราะเรายังต้องมีภารกิจเกี่ยวกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่เราก็ใช้วันที่เราหยุดทำมาหากินมาเป็นวันบวชของเรามาบําเพ็ญ แล้วถ้าเราไม่ต้องหาเงินทองมากเพราะเราหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วหยุดการหาความสุขจากการซื้อข่าวของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จำเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องทำงานมากอาจจะลาออกจากงานเลยก็ได้ถ้าเราได้สะสมเงินไว้ ก้อนอย่งไว้สำหรับสำรองสนับสนุนในการบวชของเราเราก็จะบวชได้หลายหลายวันในแต่ละครั้งก็ได้บวชทีละเดือนก็ได้บวชทีละสองเดือนสามเดือนก็ได้ถ้าเงินหมดก็ค่อยหยุดแล้วก็กลับมาหาเงินหาอาหารหาค่าอาหารค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ ก็สำคัญก็คือเราต้องยุติการสแสวงหาลาบยศสรเสริญยุติการสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเราจะได้มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญจิตตะภาวนาเราอยู่แบบนักบวชถ้าเราไม่มีเวลาบำเพ็ญเราจะไม่ได้ ผลที่ดีที่จะทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจเ ว, เวลาของเราให้กับการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราได้รับผลจากการบำเพ็ญแล้วก็จะทำให้เกิดมีฉันทะวิริยะ จิตตะวิมังสาเพิ่มมากขึ้นที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบำเพ็ญจนสามารถบำเพ็ญได้เต็มรูปแบบเป็นนักบวชอย่างแท้จริงเป็นนักบวชแบบไม่สึกไม่กลับไปทางโลกอีกต่อไปถ้าลองได้ทุ่มเทแบบนี้แล้วก็มังผลนิพพานย่อมเป็นผล ที่จะต้องตามมาอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ได้บำเพ็ญแบบนี้มากันแล้วในสมัยหลวงปู่มั่นมานี่ครูบาอาจารย์ทุกรูปก็บำเพ็ญแบบนี้ทั้งนั้นตอนต้นก็เป็นคาราวะา ญ, ญาติโยมเหมือนกับพวกเราที่ยังหลงกับการแสวงหาราบยศสรรเสริญ สวางหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่แต่พอได้สัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นโทษของความแก่ความเจ็บความตายและได้ฟังเรื่องของความสุขที่จะได้จากการบำเพ็ญว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ราบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็ทำให้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติเ ด, ดิวก็จะจำศีลถือศีลแปลดในวันพระกันหยุดทรมาหากินเข้าวัดเข้าวามั่เป็นรักษาศีลอุโบสถ บำเพ็ญจิตตะภาวนากันพอได้รับผลที่เกิดจากการบำเพ็ญเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการบำเพ็ญก็เริ่มก็เพิ่มการบำเพ็ญให้มีเพิ่มมากขึ้นจากอาทิตย์ละวันก็เป็นอาทิตย์ละสามวันบ้างสี่วันห้าวันบ้างตามโอกาสมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะบำเพ็ญ พอยิ่งบำเพ็ญมากขึ้นไปเท่าไหร่ผลยิ่งจะปรากฏขึ้นมามากขึ้นไปเท่านั้นเจ้านที่สุดก็พร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มีอิสระภาพในการบำเพ็ญได้อย่างเต็มรูปแบบก็คือสละเพศของค า, ารวะแล้วเข้าสู่เพศของนักบวช เพื่อจะได้เจริญสติสมาธิปัญญาที่เป็นเหตุที่จะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วยิ่งถ้าได้พบกับครูบาอาจารย์ที่ได้บําเพ็ญมาแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพานมาแล้วยิ่งทําให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้เพราะ มีผู้นำทางมีผู้คอยดึงให้อยู่ในทางที่จะพาไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็อาจจะถะลายถลยออกนอกทางไปได้หลงทางได้และอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปก็ได้ ดังนั้นเมื่อออกบำเพ็ญแล้วบุคสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครูบาอาจารย์าอาจารย์ที่พวกเรากราบวหา้บูชากันทุกรูปนี้ท่านต้องมีครูบาอาจารย์กันท่านั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติตามลำพังของท่านเพราะไม่มีใครที่จะวิเศษวิโสที่จะสามารถปฏิบัติตามลาพังของตนจนบรรลุมรรคผลไม่ผ่านได้ นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญด้วยพระ อ, องค์เองก็เพราะว่าไม่มีครัวบาอาจารย์ที่รู้ทางไปสู่มรรคผลนิพพานรู้เพียงแต่ไปสู่พรมโลกไปสู่ขั้นรูปประพรมและอรูปประพรมคือการบำเพ็ญรูปประชานและอรูปประชานเท่านั้น แต่ไม่มีใครรู้จักมรรคสีผลสีนิพพานเองคือโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิดาคามมมรรคสกิดาคามมผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอลาหัตตมรรคอลาหัตตผลและนิพพานไม่มีใครรู้ทางที่จะไปสู่มรรคสีผลสีนิพพานอย่างนี้พระพุทธจเจ้าจึงต้อง ค้นหาทางด้วยพระองค์เองแต่เนื่องจากทรงมีพระปัญญาบารมีที่แหลมคมจึงสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนหมือกี่ปีก็ทรงสามารถพบกับมรรคสีพ้นสีนิพพานอย่างได้ พอมีพระพุทธเจ้ามาเป็นอาจารย์แล้วผู้ที่บําเพ็ญก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้อย่างง่ายดายเป็นจํานวนมากมายก่ายกองมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยระยะเวลาผ่านไปถึงสองพันห้ารอกว่าปีแล้วแต่ยังมีผู้ที่บําเพ็ญผู้ที่รู้ทางนี้อยู่ที่จะคอยสอน คอยดึงพวกเราให้เข้ามาในทางนี้เพื่อให้พวกเราได้บรรลุมัรคผมที่ผ่านกันนะครับพบนี้ชาตินี้จึงถือว่าเป็นพบที่ดีที่สุดยากที่จะเกิดขึ้นได้อย่างนี้บ่อยครั้งโอกาสที่จะได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่จะนำพาเราไปสู่มรรคผลที่พานี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายถึงแม้ว่าจะมาเกิดในโลกเดียวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็อาจจะไม่ได้สัมผัสรับรูบ้ว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ได้หรือเกิดอยู่ในแดนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่ถ้าไม่มีบุญเก่าไม่ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนามาในอดีต <c oughs> ก็จะไม่เห็นคุณประโยชน์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> ก็จะถูกความหลงดึงให้ออกจากทางของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> ไปสู่ทางของกิเลสตัณหาไปสู่การแก่งแย่งชิงอำนาจกันขับกันผัดกัน แย่งกันผัดกันไล่กันคนนี้ได้ตำแหน่งอีกคนนี้ก็มาคอยไล่ให้พ้นจากตำแหน่งพอคนนี้ได้ตำแหน่งอีกคนก็จะมาไล่ให้คนนี้พ้นออกจากตำแหน่งเพราะทุกคนต้องการลาบยศสรรเสริญต้องการความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายกันจึงมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจ หาความสุขหาความสงบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ก็ตามผู้ชนะก็ต้องมีความวิตกกังวลกับการที่จะต้องถูกขับไล่ผู้แพ้ก็อยากจะได้สิ่งที่ตนเองสูญเสียไปหรือไม่ได้ก็อยากจะได้กลับคืนมาชีวิตก็จะมีแต่การดิ้นรนต่อสู้กัน ทำบาปทํากรรมต่อกันหาความสุขไม่เจอถึงแม้จะได้ตําแหน่งไ ด, ไ, ดด ไ, ดนได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรถมามากมายเพียงไรก็ตามแต่ใจนี้จะหาความสุขไม่ได้เพราะความสุขของใจนี้ต้องเกิดจากความสงบเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีโรคกิดหลงยังมีความอยากต่างๆอยู่ภายในใจ จะไม่มีวันที่จะได้รับได้เห็นความสุขที่แท้จริงได้เลยชีวิตก็จะวนเวียนอยู่กับการแสวงหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกิือกายแล้วก็วนเวียนอยู่กับการปกป้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนแล้วก็มาวุ่นวายมาเสียอกเสียใจเวลาที่สูญเสียสิ่งที่ตนเอง ได้มาอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ได้มาเกิดในแดนของพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีบุญพอที่จะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนพวกไก่ได้ปล่อยพวกนี้จะไม่สนใจเรื่องการทำทานเรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการบำเพ็ญจิตตภาวนา จะเห็นว่าเป็นเรื่องงมงายพวกนี้เขาจะสนใจว่าจะทำอย่างไรถึงจะทําให้เขาได้เงินได้ทองได้ลางได้ยอดได้สันรเสริญเพื่อที่เขาจะได้ไปเลี้ยงฉลองกันซื้อความสุขทางตาหูจมูกร่างกายกันพวกนี้ก็จะเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในการมาพบนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้ า, ถาการแสวงหาราบยศรเสริญของเขาทำไปผิดศีลผิดธรรมคือไม่รักษาศีลห้าทำผิดศีลห้าตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายนี่คือคนที่ไม่ได้บำเพ็ญ ทานศีลภาวนามาในอดีตพอได้สัมผัสรับรู้กับพระพุทธศาสนาก็จะไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาไม่เห็นคุณค่าของการบําเพ็ญทานศีลภาวนาจะเห็นคุณค่าอยู่ที่ราบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสปุจจพาก็จะ ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการแสวงหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมืงกายจนไม่มีเวลาที่จะโงหัวขึ้นมาได้มารับแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธศาสนาได้เลยส่วนผู้ที่ได้สัมผัสกับพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธามีความเชื่อว่า เป็นทางที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ที่แท้จริงก็จะตะเกกตะกายขวนขวายปฏิบัติตามตามกำแพงที่ตนเองมีอยู่ทำทานได้ก็จะทำทานรักษาศีลได้ก็จะรักษาศีลภาวนาได้ก็จะภาวนา อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่เคยบําเพ็ญมามากน้อยเพียงไรถ้าได้บําเพ็ญมามากก็จะสามารถบําเพ็ญต่อได้มากได้ง่ายถ้าบําเพ็ญมาน้อยก็จะบําเพ็ญต่อได้ยากได้น้อยแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าถ้ามีน้อยก็สามารถบําเพ็ญให้มีมากได้ในชาตินี้ เพาตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ตราบนั้นก็ยังมีความสามารถมีเวลาที่จะบาเพ็ญให้มีมากขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจะยากกว่าผู้ที่เขามีบุญเก่ามาแต่มันก็ไม่สุดวิสัยมันไม่เหนือความสามารถของผู้ที่มีศรัทธาที่จะฟันฝ่าความยากนี้ไปได้ ในบรรดาสาวกของครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี้ท่านก็มีความยากง่ายต่างกันไปบางองค์ท่านก็บรรลุง่ายบางองค์ท่านก็บรรลุยากแต่จะยากหรือจะง่ายเมื่อบรรลุแล้วก็ผลก็เท่ากันก็ได้รับผลเหมือนกันดังนั้นอย่าให้ความยากมาเป็นอุปสรรค ขอให้เราเตือนสติเราเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราได้พบกับเพชฌอันเลิศแล้วเราได้พบโอกาสอันล้ำเลิศแล้วที่จะทำให้เราได้พบกับสิ่งที่เลิศโลกสิ่งที่เหนือโลกคือโลกุตตรธรรมแล้วทำที่จะทำให้เราได้อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว เราอย่าให้สิ่งต่างๆเช่นความยากลำบากในการบำเพ็ญมาเป็นอุปสรรคเราต้องพุ่งเป้าพุ่งเป้าไปที่ผลที่เราพึงจะได้รับขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการบำเพ็ญให้มากที่สุดเถิดแล้วรับรองได้ว่าผลจะต้องเกิดตามมาอย่างแน่นอน จะช้าหรือจะเร็วนี้ก็ไม่สำคัญบางท่านเพียงเจ็ดวันก็บรรลุได้บางท่านก็เจ็ดเดือนบางท่านก็เจ็ดปีเอ่าก็เมื่อบรรลุแล้วก็ก็เท่ากันเหมือนกับการเดินทางบางท่านใช้เวลาเจ็ดนาทีเดินทางมาที่นี่บางท่านใช้เวลาเจ็ดชั่วโมง บางท่านใช้เวลาเจ็ดวันพอมาถึงที่นี่แล้วก็ถือว่าถึงเหมือนกันถึงก่อนถึงหลังก็ไม่ได้ดีความด้อยมรรคผลนิพพานไม่ได้ด้อยกว่ากันคนมาถึงก่อนก็ได้เท่ากับคนที่มาถึงทีหลังดังนั้นปัญหาของพวกเราจึงอยู่ที่ว่าจะทําอย่างไรที่จะปลูกใจของเรา ให้เตือนจากความหลงให้เตือนจากการแสวงหาราบยศสรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขของราบยศสรเสริญของรูปเสียงกลิกกก่นรสพุทธะเราก็ต้องทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตาย อย่างต่อเนื่องอย่างที่ทรงสอนพระอานุ์ให้เราลึกถึงทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราละลึกถึงทุ ก, ท, กทุกลมหายใจเข้าออกมันก็จะไม่มีช่องที่จะทําให้เราลืมให้เราหลงไปหาความสุขจากการแสวงหาลาบยศเสริญสุขหาลูกเสียงเกล็ดลดโหตถะมันก็จะผลักให้เราเข้าสู่การหาความสุข ของความสงบของใจด้วยการทำทานด้วยการบำเพ็ญด้วยการรักษาศีลด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาพอเราได้บำเพ็ญอย่างเต็มรูปแบบแล้วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วและง่ายได้่างนั้นอยู่ที่ตัวเราเองที่จะต้อง ปกใจของเราให้ตื่นจากความหลงให้ได้ให้เห็นว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในบ้านที่กําลังไฟไหม้อยู่ไฟกําลังไหม้และจะลุกใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ร่างกายของเรายัางไม่เจ็บไายได้ป่วยยังไม่แก่ยังไม่ตายเรายัางดําเพนได้เรายัางเดินออกจากบ้านหลังนี้ได้อยู่แต่ถ้ามันเริ่มแก่ เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ใกล้ความตายแล้วเวลานั้นจะมีเวลาน้อยหรือจะยากต่อการที่เราจะถอนตัวเรา อ, อเอ ง, เ อ, งออกจากบ้านหลังนี้ได้ฉะั้นขอให้เราพยายามพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อย แล้วก็หมั่นบำเพนญทานศีลภาวนาให้มากขึ้นไปตามลำดับแล้วผลก็จะปรากฏตามมาตามลำดับเช่นเดียวกันเพราะผลนี้เกิดจากเหตุเหตุก็คือการปฏิบัติที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุจุปฏิป ANO, ันโนยายะปฏิปันโนสามีจิ ป, ปฏิปันโน ปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติเต็มที่อืมไม่ะเถลไถลปฏิบัติตรงก็ตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้บําเพ็ญทานศีลภาวนาปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือให้หลุดจากความอยากต่างๆให้หลุดจาก การหลงที่ไปยึดติดอยู่กับสิ่งต่างต่างทั้งหลายในโลกนี้แล้วก็ปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติให้ถูกต้องถูกต้องตามที่ได้สรงบัญญัติสอนไว้ทุกประการเหมือนกับเดินตามแผนที่แผนที่บอกให้เลี้ยวซ้ายก็ต้องเลี้ยวซ้ายไม่ใช่เลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวขวาก็ถือว่าไม่ถูกต้องไปผิดทางแผนที่บอกให้ตรงไปก็ต้องตรงไป ไม่ใช่เดียวซ้ายแมกว่าสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบถ้าเราบงเพ็ญอย่างนี้แล้วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมามักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งดังที่เราได้สวดไวในบทพระสังฆคุณสุปฏิปันโนยาย ะ, ยะสามีจิอุชุยายะสามีจิปฏิปันโน เอสสะพระกรโตสาวกสังโฆก็จะปรากฏขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุที่ไม่มีใครที่จะมาทําแทนเราได้ของใครของเหมือนการปฏิบัตินี้ใครปฏิบัติใครก็ได้ใครไม่ปฏิบัติใครก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติกันเองต้อง อัตตาหิอัโนนาโทต้องมีวิริยะอุสาหะความภาคเปลี่ยนสู้ไม่ถอยมีขันติมีความอดทนอขอให้เราเราลิกถึงพระสุปฏิปันโนทั้งหลายเป็นเครื่องให้กำลังใจกับเราว่าท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อนท่านก็ล้มลุกคุกการชนะบ้างแพ้บ้าง แต่ท่านไม่ถอยจะยากจะลำบากอย่างไรท่านก็ฟันฝ่าต่อสู้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดท่านก็สามารถคว้าชาัยชนะมาได้กลายเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของพวกเราพวกเราก็จะสามารถเป็นเหมือนกับท่านได้ถ้าเราเดินตามรอยของท่าน ท่านบําเพ็ญด้วยความกล้าหาญเราก็บําเพ็ญด้วยความกล้าหาญท่านบําเพ็ญด้วยความเข้มแข็งอดทนเราก็บําเพ็ญด้วยความเข้มแข็งอดทนไม่ย่อท้อไม่เกียดคา้า <c> น <oughs> พอตื่นขึ้นมาก็บําเพ็ญเลยพอตื่นขึ้นมาก็ตั้งสติเลยเนี <c> ่ย <oughs> ตัวสําคัญในการบําเพ็ญก็คือสตินี้ ถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิโดยที่ไม่มีสติก็เหมือนกับไปเดินชอปปิง้งตามศูนย์การค้าดีๆนี่เองเดินไปก็คิดถึงสินค้าชนิดนั้นสินค้าชนิดนี้คิดถึง <c oughs> อาหารชนิดนั้นชนิดนี้เดินจงกรมแบบนี้ก็อย่าไปเดินให้เสียเวลาเพราะไม่ได้เป็นการาบำเพ็ญความเพียรการจะบำเพ็ญความเพียร น, นี้จิตจะต้องมีสติคอยควบคุม ให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ที่จะทำให้จิตสงบเท่านั้นเช่นอยู่กับการบริกรรมพุทโธและอยู่กับการเดินของร่างกายเช่นเท้าดูที่เท้าเท้าซ้ายเท้าขวาก้าวซ้ายก้าวขวาก็าให้อยู่กับการเดินไม่ให้ไปอยู่กับอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้สินค้าชนิดนั้นสินค้าชนิดนี้ นี่แหละคือหัวใจของความเพียรก็คือการเจริญสติถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ตั้งสติเลยก็ถือว่าเริ่มได้ได้บำเพ็ญความเพียรตั้งแต่ยังไม่ลุกขึ้นมาจากที่นอนพอตื่นขึ้นมาก็ตั้งสติเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนร่างกายอยู่ในเรียาบทใดถ้าใช้ร่างกายก็เฝ้าดูเรียาบทของร่างกายไปถ้าใช้พุทธโธก็บริกรรมพุทธโธไป ในทุกขณะที่บาเพ็ญที่กำลังไปทำภารกิจต่างๆลุกขึ้นมาจะไปล้างหน้าล้างตาอาบน้าอาบท่าทำภารกิจที่จาเป็นจะต้องทำก็ทำควบคู่ไปกับการบริกรรมพุทธโธหรือให้มีสติเฝ้าอยู่กับการกระทำของร่างกายในทุกกิจกรรมไม่ประสงค์ใจไปที่อื่น <c oughs> อย่างนี้ก็เรียกว่าได้มีการบำเพ็ญแล้ว พอเสร็จภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายก็มีเวลาว่างก็มานั่งสมาธิต่อหรือเดินจงกรมต่อหรือมาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะเพื่อจะได้มีแผนที่ไว้คอยอเปรียบเทียบดูว่าเราเดินถูกทางหรือไม่หรือเรากําลังเดินผิดทางอยู่ฟังเทศฟังธรรมไปทุกวัน คอยดูแผนที่อยู่เรื่อยๆว่าเรากําลังบําเพ็ญ ถ, ถูกทางหรือเปล่า <c oughs> นี่คือเรื่องของการบําเพ็ญที่เราจะต้องทําอยู่อย่างต่อเนื่องจะทําอย่างต่อเนื่องได้ก็ต้องไม่มีภารกิจอื่นไม่มีภารกิจเกี่ยวกับการแสวงหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมกูกจีนไก่ถ้าทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบําเพ็ญอย่างนี้แล้ว รับรองได้ว่าไม่นานไม่เกินเจ็ดปีผลจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามปลุกความหลงปลุกใจให้ตื่นจากความหลงด้วยการเราเลิกถึงเทวทูตสี่อยู่เรื่อยๆให้เราเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายให้เราเลิกถึงการบำเพ็ญจิตตภาวนา ว่าเป็นทางที่จะนำพาเราไปสู่ความดับทุกข์ไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พ อ, อ จะมาวันนี้นะคะตอนนี้ผมว่าเขาปวหลังมากหลังเขาเ่อนเขาเขาก็ไปถามวขาบอกว่าบอกว่าต้องผ่านอะไรนี้ทนี้เขามีโปรแกรมเ่าจะเข้าคอสโตรเอ็นก้าสิวันก็ต้องมาที่วันละสชั่วโมงไอ้หลังก็กลัวว่าหนังที่มันเป็นมันจะทิ้งชุกไหมก็ให้กลับเดี๋ยวาอรยว่าก็กลัวจะดีใจเขาก็อยากจะพาจะไปปฏิบัติเนี่ยถามว่าจะเอายังไง จะ้งตัวไปตั้งตจัดตอบแทนถ้ามันไปปฏิบัติแล้วทําให้ร่างกายมันเสียก็ต้องรักษาร่างกายก่อนหรือปฏิบัติแบบที่ไม่ต้องไปกระทบกระเทือนกับร่างกายเพราะเรายัางต้องใช้ร่างกายในการบําเพ็ญอยู่ มันกับรถยนต์ที่เรายัางต้องใช้อยู่ถ้ามันเสียยางแตกอย่างนี้เราจะไปขับมันได้หรือเปล่าเราก็ต้องซ่อมเปลี่ยนยางให้มันเปลี่ยนยางให้มันดีก่อนพ อ, อยางดีแล้วเราขับไปมันก็จะได้พาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้าเราดันทุเรลังว่าแตกก็จะขับมันไปอย่างนี้เดี๋ยวมันก็พังทั้งล้อทั้งอะไรไปไม่ได้อยู่ดี ดันั้นก็ต้องดูเรื่องของร่างกายด้วยว่ามันมีเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะบำเพ็ญได้เราคือการบาเพ็ญไม่จำเป็นจะต้องไปบำเพ็ญที่ตรงนั้นตรงนี้เสมอไปอยู่ตรงไหนก็บำเพ็ญได้อย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้แล้วว่าอยู่ตรงนี้ก็เจริญสติได้อยู่ตรงนน้นก็จจริญสติได้ เพราะการบำเพ็ญที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถของร่างกายจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนก็บำเพ็ญได้เพราะว่าตัวที่เป็นตัวบำเพ็ญก็คือใจและทมที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาก็คือสติดังนั้นอยู่ที่เดนมาร์กก็บำเพ็ญได้ไม่ต้องมาที่เมืองไทยก็ได้อยู่ที่เมืองไทยอยู่ตรงไหนก็บำเพ็ญตรงนั้นก็ได้ เพียงแต่ว่าสถานที่มันอาจจะมีสัพปปายะกับไม่สัพปปายะสัพพายะก็คือเอื้อต่อการบาเพ็ญไม่สัปพายะก็คือเป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญที่ไปอยู่ตามสถานที่ที่เขาจัดให้มีการปฏิบัติมันก็เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการบาเพ็ญเพราะทุกคนต้องบาเพ็ญเหมือนกัน ถ้าอยู่ที่ไม่มีการปฏิบัติในแต่การเลื่อน ล, นลนอยสังสรรค์หาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ที่เหล่านั้นก็จะไม่เอื้อต่อการบําเพ็ญแต่ถ้าเราสามารถที่จะอยู่ในที่สงบเช่นอยู่ในห้องของเราได้อยู่ในโรงแรมติดเครื่องป่าประกาศติดเสียงไม่รับรู้ใคร ก็ขังตัวเองอยู่ในโรงแรมนั้นสักสิบวันก็ได้ไม่ต้องไปไหนให้เขาส่งอาหารมาให้วันละมือ้อแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิหรือนอนสมาธิอยู่ในห้องนั้นแหละบำเพ็ญไปก็ได้ที่เราต้องไปบำเพ็ญตามสถานที่ต่างๆเพราะเรามันไม่มีวินัยเราควบคุมบังคับตัวเราเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นเขาบังคับเรา ต้งให้คนอื่นเขาทําให้เรารู้สึกอยากมีความอายเช่นคนอื่นเขาปฏิบัติแล้วเราไม่ปฏิบัติแต่ถ้าอยู่คนเดียวนี่เราไม่มีความอายเราจะนอนกี่ชั่วโมงเราก็นอนได้ะ <laughs> ว่าคนที่ขี้เกียจ น, นะว่าคนถามผม เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักอยู่ที่ความอยู่ที่สติถ้าเรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทชีวิตจิตใจแม่ตาอยู่ที่ลงอาบอบนวดก็ยังบําเพ็ญได้เอ้าจริงๆริงก็นั่งรอเพื่อนเขาอยากจะไปเที่ยวลงอาบอบนวดเขาชวนเราไป แล้วก็ไปกับเขาแต่เราไม่เข้าไปแล้วนั่งอยู่ในรถนะแล้วก็รอเขาอยู่ ท, ที่ที่จอดแล้วเราก็นั่งดูลมหายใจเขาออกไปอ้าวจริงๆนี่ไม่ได้พูดไม่ได้แต่งขึ้นมาสมัยนั้นมันก็ยังเป็นคาราวาอยู่แล้วก็ยังมีเพื่อนมีฝูงอยู่เชวนฝูงก่อนไปเที่ยวด้วยกันเขาก็มาชวนไปใช่ไหม เราไม่ไปมันก็ยังไงอยู่ไปแล้วก็บอกว่าไม่เข้าไปนะจะนั่งรออยู่ข้างนอกเรวนั่งรอไปเราก็นั่งสมาธิไปในรถเนี่ยถ้าใจมันภาวนาเป็น้วมันอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้นี่รู้เนี่ยอาจารย์สงศิยก็เข้าใจผิดต่อไม่ทราบค่าก็ฟังเทปพระอาจารย์มากที่ที่เยนมาดนะะ บอกพระอาจารย์เทศน์บนฐานฐานพื้นฐาน่ไหว้เลือกระหว่างร่างกายที่ป่วยแต่โซนารนาคะว่าเมือดาจะม่เปยุ่งที่ที่าวนาใช่อย่างเวลาใกล้ตายเนี่ยร่างกายรักษาไงก็ไม่หายแล้วจะไปกังวลอะไรกับมันทำไมเราก็ภาวนาแบบไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของการรักษา เปนหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องรักษาก็ให้ปลุกฝากใจไว้กับการภาวนาอย่างคุณเพาพงาที่ไปอยู่กับหลวงตาหมอก็บอกว่ารักษาไม่ได้แล้วเหลือแค่หกเดือนถ้าไปอยู่กับหลวงตาหลวงตาก็สั่งไว้ก่อนว่าห้ามห้ามเอาหมอห้ามเครื่องเอาเครื่องม้เครื่องมือรักษามาให้มารักษาใจเพียงอย่างเดียว อันนี้มันคนลกรณีกันต้องต้องอ๋อรู้ก็บอกาต้องจะต้องแน่อันนี้ก็ต้องพิจารณาดวีว่าควรไม่ควรอย่างไรอันนี้แต่อย่าให้เอาเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย มาเป็นข้ออ้างไม่ให้ทําไม่ให้เราบําเพ็ญเช่นสมมติเราไปไม่ได้เราก็บําเพ็ญที่ห้องพักเราก็ได้อาจจะได้มากได้น้อยต่างกันเพราะอยู่ตามลำพังเราอาจจะไม่ขยันเหมือนกับเราอยู่กับคนอื่นก็ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นหน้าที่ของเรารู้ว่าเราต้องทําแล้วเราบังคับตัวเราให้ทําได้มันก็ไม่เป็นปัญหา ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดแต่แต่ที่มันก็มีมีผลต่อการบําเพ็ญถ้าเราอยู่กับที่ที่มีการบําเพ็ญมีการ เ, าเข้มข้นมีความ เ, าเรียกอะไรมีการควบคุมให้เราบําเพ็ญเช่นไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตานเนี่ยกับอยู่ที่บ้านเนี่ยมันต่างกันนะปฏิบัติที่บ้านไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยคุม ไม่มีกฎไม่มีระเบียบเราก็ปฏิบัติไปตามอารมณ์อารมณ์ขยันก็ปฏิบัติมากหน่อยอารมณ์ขี้เกียจก็ปฏิบัติน้อยหน่อยแต่ถ้าอยู่ที่วัดป่าบ้านตาเมื่อถึงเวลาต้องทำกิจก็ต้องทำกันมันก็เลยทำให้มีผลที่แตกต่างกันได้เรื่องการปฏิบัติจริงต้องดูที่ความส ป, ปายะ ด้วยของสถานที่สปายะหรือไม่บุคคลที่อยู่ด้วยสปายะหรือไม่อาหารสปายะหรือไม่อากาศสปายะหรือไม่ถ้าสปายะมันก็จะทำให้การบาเพ็ญ น, นี้ไปได้อย่างราบรื่นนะง่ายดายรลลวดเร็วถ้าไม่สปายะมันก็ขุกขักขุกขักติดตรงนั้นติดตรงนี้มันก็ ไปได้ช้าเช่นสังขารร่างกายที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยครับสังขารร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันก็มีความแตกต่างกันถ้าเกี่ยวกับการบำเพ็ญเช่นการเดินจงกรมนี้หรือการนั่งนี่มันอาจจะนั่งไม่ได้หรือเดินไม่ได้แล้วถ้านอนบำเพ็ญมันก็จะบำเพ็ญได้ไม่นานเพราะว่ามันจะหลับง่าย อันนี้ก็อาจจะต้องแก้ด้วยการไม่รับประทานอาหารแล้วก็นอนบําเพ็ญได้เช่นถ้าเจ็บหลังนั่งสมาธิไม่ได้ก็อดข้าวแล้วก็นอนสมาธิไปดูดูซิว่ายังจะหลับหรือเปล่าถ้าหลับก็ถือว่าต้องรอให้รักษาให้ร่างกายให้มันหายก่อนแล้วค่อยค่อยลุกขึ้นมานั่งสมาธิลุกขึ้นมาเดินจงกรม บางทีมันก็เป็นเรื่องสุดวิสัยที่เราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องทําเท่าที่เราทําได้ถ้านั่งไม่ได้เดินไม่ได้นอนได้ภาวนาในท่านอนก็ภาวนาไปถึงแม้ว่าจะได้ไม่มากภาวนาไปสักพักแล้วเดี๋ยวก็หลับไปอันนี้ก็มันก็เรื่องของของความเรื่องสุดวิสัยทําได้เท่าไหร่ก็ต้องทําไปเท่านั้นก่อน ทั้งอก็เข้าตั้งจคือปวดหลังตอนนี้ก็ยังปวดอยู่แต่ไม่ไปทุกกับมันสรุปว่าตั้งใาเองใช้มันไม่หายหรอกมันก็เป็นมาอยู่อย่างเงี้ยอยู่ก็ตั้งชินกับมันนะมันมันปวดก็นอนนอนสักพักมันก็หายปวดพอลุกขึ้นมาเดินมานั่งสักพักนึงเดียวมันก็ปวดใหม่ก็ต้องมีเวลาพักเนี่ยอย่างตอนเช้าเวลากลับจากสาราเนี่ยมันก็ปวดเมื่อยก็ มีเวลาพักสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ลุกขึ้นมาได้อีกสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวเย็นนี้ก็ลงไปนอนสักพักนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยลุกขึ้นมาเดินจงกรมมาทําอะไรต่อก็มีการสลับกันไปอย่างเงี้ยอยูประมาณไปแต่มันก็ไม่ปวดรุนแรงจนกรทั่งทนไม่ไหวมันก็แต่มันก็รู้ว่ามันเจ็บอ <c oughs> <c oughs> ่ะเนี่ยนะก็เป็นเรื่องปกติของสังขารร่างกาย ไม่เป็นปัญหาอะไรพอที่จะอยู่กับมันได้ไม่เป็นอุปสรรคจนไม่สามารถทาภารกิจต่างๆได้ก็ทำมันไปอยู่กับมันไปอยู่ไปะทั่งมันไม่อยู่มันไม่อยู่ก็จบก็รักษาตามตามสภาพเนี่ยมีการ ทำโยคะบ้างมีการบีบจับเส้นบ้างอะไรอย่างนี้ไปแต่ไม่ได้ไปหาหมอไปกินยาหรือไปผ่าหรือไปทำอะไรนะก็คิดว่าไม่ไ ม, ไม่เราไม่เดือดร้อนนะ่ยก็เลยไม่ต้องทำอะไระวันนี้ไม่มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนยมีครับอาจารย์ขอเชิญครับต่อไปเป็นคำถาม จากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโตและคําถามของผู้เข้าฟังธรรมในวันนี้ฝากถามนะครับแล้วก็คําถามทั่วไปนะครับคําถามแรกนะครับพ่อค่อนข้างบังคับลูกทุกอย่างลูกเรียนเก่งและพ่ออยากให้รับราชการแต่ลูกไม่อยากเป็นข้าราชการพ่อผิดหวังและโกรธมากและไม่อยากเข้าใกล้จนลูกเครียดและไม่ทราบจะทําอย่างไรดีเพราะกลัวบาป และโกรธภรรยาเขาว่าไม่ช่วยชักจูงให้รับราชการใครถามลูกถามหรือภรรยาถามเลยอ่าคือเแบนตัวตัวลูกถามนะครับว่าพ่อโกรธมากว่าไม่ยอมรับราชการอะไรนะครับแล้วก็พ่อก็เลยโกรธภรรยาไปด้วยเนี้ยครับก็ะจะทําอย่างไรดีครับเพราะเขากลัวบาปก็ทําแบบพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ไม่สนใจพระพุทธเจ้าก็ทําในสิ่งที่ควรจะทํา พ่อไม่อยากให้บวชท่านก็ออกบวชเห็นถ้าเราไม่อยากจะรับราชการเราก็ไม่ต้องรับราชการเราก็ไปทำงานของเราพ่อจะโกรธก็เรื่องของพ่อเราไม่ได้ไปทำให้ท่านโกรธท่านโกรธของท่านเองเพราะความอยากของท่านถ้าท่านไม่มีความอยากให้เราไปรับราชการท่านก็จะไม่โกรธแค่เราไปแก้ท่าน เรื่องของความโกรธของท่านนี้เราแก้ไม่ได้แล้วเราการทำอะไรตามตามความต้องการของเราก็ไม่ใช่เป็นเรื่องบาปกรรมแต่อย่างไรแต่ว่าสิ่งที่เราทำนี่เมื่เราก็ต้องรับผลของการกระทาของเราตอนนั้นเองถ้าเราทำแล้วไม่เจริญรุง่งเรืองเหมือนกับไปรับราชการเราก็ต้องยอมรับว่าทางที่เราเลือกนี้มันไม่ดีเท่ากับทางที่พ่อให้เราไป แต่มันไม่ได้เป็นเรื่องของบาปของกรรมอะไรถ้าเราไม่ไปเถียงกับพ่อไม่ไปทะเลาะกับพ่อไม่ไปโกรธพ่อไม่ลืมบุญคุณของพ่ออย่างเงี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ทําหน้าที่ของลูกไปเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราต้องสมน์ส่วนต่างากฎเราจะให้มีความเหมือนกันทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ คนชอบกินกว๋วยเตี๋ยวจะไปบังคับให้กินข้าวผัดได้ไหมใช่ไหมก็ต้องปล่อยให้เขาเลือกเวลาไปร้านอาหารมีใครบงังคับว่าคนต้องกินอย่างนี้ไหมทุกคนก็เลือกสั่งกันเราเองก็ไม่ไม่เห็นเสียหายตรงไห น, นการที่จะทํามาหากินในรูปแบบไห น, นมันก็เป็นการถ้ามันเป็นการทํามาหากินที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายมันก็ไม่น่าจะเป็นปนัญหาของใครปรัญหาก็อยู่ที่ <c oughs> คนเราชอบไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นมากจนเกินไปไปก้าวไก่ในเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ดูหลักอนัตตาบ้างว่าเขาไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งของเราเสมอไปเวลาเขาไม่อยู่ไม่ทำตามคำสั่งเราก็เสียใจดังนั้นอย่าไปโทษใครโทษตัวเราเอง ที่ชอบไปยุ่งกับคนอื่นถ้าไม่ไปยุ่งกับคนอื่นเราก็ไม่ไม่ต้องมาทุกกับเขาแต่พอเราไปยุ่งกับเขาไปหลงว่าเขาเป็นของเราเขาเราเคยสั่งเขาได้คือตอนเป็นเด็กๆมันสั่งได้ใช่ไหเวลาเป็นเด็กนี่บอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหันหน้าหันซ้ายก็ทำตาม้วยอย่างแต่พอเด็กมันโตขึ้นโตขึ้นมันก็เริ่มมีอัตราตัวตนของเขา เขาก็อยากจะทำอะไรตามความต้องการของเขาเหมือนกันแต่เราลืมไปว่าเขาโตเ ข, เขาก็เป็นเหมือนเราสมัยเราเป็นเด็กเราก็ว่านอนสอนง่ายพอเราโตเราก็เป็นไปตามความต้องการของเราเขาก็เป็นเหมือนกันพอเขาโตข<โ frustrating>ึ้นเขาก็อยากจะเป็นตัวเป็นตนของเขาเขาก็อยากจะทำอะไรตามความรู้สึกนึกคิดของเขา หน้าที่ของเราก็เพียงแต่บอกว่าการกระทำบางอย่างที่ก็ททำนี้อาจจะไม่ถูกอาจจะไม่ดีทำไปแล้วอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นมาเราก็ทำได้เท่านี้ในฐานะเป็นผู้ที่ให้ความรู้ผู้ปกครองนี่มีหน้าที่สั่งสอนลูกให้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วแต่ถ้าผู้ที่รับฟังไม่ไม่ไม่สนใจปฏิบัติตามจะไป ควบใบบังคับก่อได้อย่างไรเขาไม่ทํำก็เขาก็ต้องเป็นคนรับผลที่เขาทํานั่นแหละเหมือนกับที่มีพราหมณ์เคยถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะส่งสั่งสอนอบรมให้ไปพระนิพพานกันแต่ทำไมบางคนก็ไปถึงบางคนเขาไปไม่ถึงพระพุทธเจ้าก็ถามพราม ไปว่าพราหมณ์คุณก็เคยเป็นคนแนะ น, นําแนะนําทางบอกทางให้แก่คนใช่ไหมว่าจะไปเมืองนี้จะไปทางไหนเอแล้วคนที่ก็เดินไปเนี่ยบางคนก็ไปถึงบางคนก็ไปไม่ถึงมันนักพราหมณ์จะทํำยังไงพราหมณ์ก็บอกผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมไม่หน้าที่บอกเขาเมื่อเขาไม่เดินตามที่ผมบอกมันก็ช่วยไม่ได้ หลั่ในใดตถาคตก็เหมือนกันตถาคตก็สอนลูกสิษย์ให้เดินไปสู่มรรคผลนิพพานกันแต่ทำไมบางคนก็ไปถึงบางคนก็ไปไม่ถึงก็เพราะเขาไม่ทําตามที่ตถาคตสั่งสอนนั่นเองแต่ตถาคตจะมาปวดร้าวหัวใจจะมาโกรธมาเกลียดเขาจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา อ, อันนี้แหละคือการสั่งสอนคนต้องสั่งสอนด้วยใจที่ เป็นกลางเป็นอุเบกขาด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้สั่งสอนด้วยอัตตาตัวตนว่าสั่งให้ทำอย่างนี้จะต้องทาถ้าไม่ทำก็ถือว่าชั่วเลวอย่างนี้มันไม่ใช่เราต้องสั่งด้วยความเมตตาบอกทางที่ดีให้กับเขาแต่ถ้าเขาไปไม่ได้ ด้วยเหตุผลกลไกดก็ตามก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องวิบากของเขาไปคำถามข้อต่อไปจากเฟซบุ๊กนะครับจากพระธีระนะครับากาบเรียนถามมีความรู้สึกเบื่อขี้เกียจภาวนาแก้อย่า ง, างไรครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าจะตอบง่ายๆก็นอนดิยถ้าจะตอบยากก็คือต้องให้ละเลึกถึงครูบาจารย์ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกว่าท่านก็ท้อแทบเบื่อหน่ายเหมือนกันแต่ท่านก็ พยายามตะเกียกตะกายดันตัวเองไปเรื่อยๆให้คิดว่าบางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยให้คิดว่าถ้าไม่ทําก็จะไม่ได้แล้วก็ให้คิดว่าไฟกําลังลนก้นคือความตายมันกําลังตามเรามาอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่รีบปฏิบัติเดี๋ยวความตายมันมาถึงเราแล้วเราจะไม่ได้ปฏิบัติเลยให้คิดอย่างนี้มันก็จะได้ทําให้เรา เกิดความกระเตือรือร้อนขึ้นมาได้แต่ถ้าคิดแบบกิเลส ก, ก็คิดเกียก็นอนซะก็จบคำถามข้อต่อไปจากคุณเรารักในหลวงราชาแห่งพวงประชานะครับมีการบริจาคทานใดที่ทำให้ภาวนาเก่งต้องบาภาวนาเป็น คือการทำทานนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะมาช่วยทำให้เราภาวนาเก่งหรือไม่เก่งการจะภาวนาเก่งไม่เก่งนี่อยู่ที่การจเจริญสติถ้าเราจเจริญสติมากเราก็จะภาวนาเก่งส่วนการทำทานนี่เป็นเพียงการาปลดให้เราหลุดจากการที่เราจะไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทอง เพื่อเราจะได้มีเวลามาบําเพ็ญมาเจริญสติเท่านั้นเองฉะนั้นทานที่จะเอื้อต่อการบําเพ็ญก็คือการสละหมดเลยมีอะไรสละไป ห, หมดสละเพศของคาวาะไปแล้วก็มาบวชพอมาบวชแล้วก็จะได้มีเวลามาบําเพ็ญมาเจริญสติอย่างต่อเนื่องพอเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องก็จะภาวนาเก่ง คำ ถ, ถามข้อต่อไปจากป้านนองวัชรินนะครับสมาธิแบบคณิกะสมาธิกับความสงบท่าช้างกระดิกหูงูแลบลิน้นเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ก็นั่นแหละคณิกะก็าแปลว่าขณะหนึ่งขณะสั้นๆเวลานั่งสมาธิครั้งแรกเวลาจิตสงบมันจะเป็นแบบนั้นมันจะรวมลงไปวุบแล้วมันก็จะถอนออกมาแต่มันก็จะได้สัมผัสรับรู้ถึง ถึงความสงบนั้นว่ามันวิเศษอย่างไรเหมือนกับเล้นกับแกงเนี่ยได้ทำผัดกับแกงเพียงหยดเดียวนะก็จะทําให้เกิดฉันทาวิริยะเกิดความติดอกติดใจอยากที่จะเล่นลดแกงนั้นให้มากขึ้นก็จะหมั่นบําเพ็ญการสมถะภาวนาให้มากขึ้นจเจริญสติให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้น แล้วต่อไปก็จากคัิกะก็จะกลายเป็นอัปปนาไปอัปปนาก็คือแปลว่าอยู่ได้นานเช่นอยู่ได้5นาที10นาที20นาที30นาทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยอยู่ที่กำลังของสติที่เราบำเพ็ญแล้วอยู่ที่การที่เราไม่ไปทำภารกิจอย่างอื่นเพราะถ้าไปทำภารกิจอย่างอื่นมันก็จะมาทำลายการที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบ ได้นานเพราะเวลาเราไปทำอย่างอื่นนี่ก็เหมือนกับเราดึงใจออกไปข้างนอกส่วนการบำเพ็ญเชนการจเจริญสตินี่เป็นการดึงใจให้เข้าข้างในเะฉะั้นถ้ากำลังที่จะดันใจให้ออกข้างนอกมันมีมากและกำลังที่จะดึงเข้ามันมีน้อยกว่ามันก็อยู่ได้แป๊บเดียวแต่ถ้ากำลังที่ดึงใจให้เข้าข้างในนี้มีมากกว่า กำลังที่จะดันใจออกข้างนอกมันก็จะอยู่ได้นานกว่าแล่าเราจึงต้องสำรวมตาหูจมูกเด้งกายไม่ส่งใจเราออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตพะให้เราดึงใจเข้าข้างในด้วยการบริกรรมพุทธโธด้วยการเจริญสตินี้แล้วก็ด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยถ้าเราทำเพียงแต่ปรารกิจเหล่านี้ เจตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบแล้อยู่ได้นานขึ้นไปตามลําดับคําถามต่อไปนะครับบางครั้งที่อารมณ์หมุดหงิดหรือง่วงนอนมักปล่อยให้เกิดโทสะได้ง่ายแม้จะมีสติรู้แต่ก็ปล่อยให้เกิดโดยไม่พิจารณาหรือระงับความโกรธนั้นๆรู้ตัวตลอดแต่ก็ปล่อยให้เกิดเพราะอะไรและควรแก้ไขอย่างไรดี ก็เพะว่าเราไม่ควบคุมใจปล่อยให้มันปรุงแต่งไปพอปรุงแต่งไปมันก็ยิ่งเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ยิ่งเกิดความโกรธขึ้นมาพอเราเกิดความโกรธเราต้องใช้การระงับอารมณ์นี้ด้วยการบริกรรมพุทโธแล้วถ้าเราถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ต้องใช้สติคือการบริกรรมเช่นเราโกรธใครก็อย่าไปคิดถึงคนนั้นอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธ ดึงใจมาอยู่กับบริกรรมพุทโธพุทโธหรือสวดมนต์หรือฟังเทศฟังธรรมให้มีให้ใจมีอะไรทําเพื่อที่จะได้ลืมเรื่องที่ตนเองได้มีความโกรธกับเรื่องนั้นอยู่หรือว่าถ้าเราอยู่ในขั้นปัญญาเราก็พิจารณาว่าเราโกรธเขาเพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขาทำสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ใช่ไหมเพอาะเขาไม่ทํำ ตามที่เราอยากเราก็เขาเราก็โกรธเขาแล้วเราไปสั่งเขาได้หรือเปล่าว่าให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถ้าเราไม่ไปอยากเสอย่างแล้วเราจะโกรธเขาไหมเนี่ยปัญหาก็อยู่ที่เราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากจะโกรธต่อไปเราก็อยากไปอยากเราก็ปล่อยเขาปล่อยให้เขาทําอะไรตามเรื่องของเขา ถ้าเราต้องบอกเขาก็บอกด้วยใจที่เป็นกลางคือไม่มีอุปทานว่าจะต้องทำตามที่เราบอกเรามีหน้าที่ต้องบอกเขาที่นเราทำงานด้วยกันเราเป็นหัวหน้าเราสั่งเขาว่าต้องทำอย่างนี้นะเขาไม่ทำอย่างนี้เราก็อย่าไปโกรธเขาแต่ถ้าเรามีอัตตาตัวตนมีความอยากว่าทำอะไรสั่งอะไรเราจะต้องทำตามที่เราสั่ง เราก็ไม่ทาตามที่เราสั่งเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาได้เลยนั้นปัญหาของความโกรธนั้นอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นอยู่ที่การมีอัตตาตัวตนการที่มีความอยากให้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราต้องมาฝึกปล่อยวางต้องพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟเหมือนดินฟ้าอากาศ พวกเราไปยุ่งกับดินฟ้าอากาศไหมเราไม่ค่อยทุกกับดินฟ้าอากาศใช่ไหมอากาศจะหนาวจะร้อนฝนจะตกไม่ตกแดดจะออกไม่ออกเราก็อยู่กับมันได้เพราะเราไม่ไปมีอัตราตัวตนกับดินฟ้าอากาศฉันใดเราควรจะมองทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เหมือนเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะทุกคนก็เป็นดินน้าลมไฟ ร่างกายของทุกคนก็มาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็อารมณ์ของคนที่พาให้คนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เป็นอนัตตามีใครไปควบคุมอารมณ์ได้แต่และคนก็มีอารมณ์แล้วก็ตัวเองก็ยังควบคุมไม่ได้เลยแล้วคนอื่นจะมาควบคุมอารมณ์ของคนอื่นได้อย่างไรถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะวางเฉยปล่อยวางแล้วก็ยินดีตามมีตามเกิดได้ ใครจะพูดอะไรก็ยินดีใครจะด่าเราก็ยินดีใครจะชมก็ยินดีถ้ายินดีแล้วไม่ทุกข์มันไม่ดีกว่ากับไม่ยินดีใช่ไหมไม่ยินดีแล้วทุกข์เราไม่ไม่ยินดีทําไมเราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อยู่ดีเขาก็ด่าเราอยู่ดีเขาด่าแล้วเรามีความสุขกับเขาด่าเรามีความทุกข์อย่างไหนจะดีกว่ากันออไม่มองตรงนี้กันจต่เป็นเปลี่ยนให้เขาพูดแต่ดีอย่างเดียว เขามายอมพูดเราจะทำ ย, ยังไงยังความโกรธความผิดหวังความเสียใจนี่ก็เกิดจากความอยากของเรายันเราต้องลดละความอยากปัญหาของพวกเราทุกรูปแบบก็มาจากความอยากนี้ทั้งนั้นแหละอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ยังมาราตัดความอยากกันด้วยพิจารณาว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา พิจารณาว่าเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังมันก็จบปล่อยวางได้หมดคําถามข้อต่อไปนะครับการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจําเป็นต้องรักและปกป้องสถาบันชาติาาาาศาสนาพระมหากษัตริย์หรือไม่ในเมื่อการปฏิบัติธรรมนั้นไม่เกี่ยวกับใครเพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันก่อนละเรื่องกันเรื่องการปฏิบัตินี่มันเป็นการปกป้องรักษาจิตใจส่วนเรื่อง การรักชาติศาสาานานนี้เป็นเรื่องของหน้าที่ของพลเมืองอันนี้มันเป็นกฎหน้าที่กันเราต้องเลือกว่าเราจะทำหน้าที่ไหนถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรักษาใจเพียงอย่างเดียวแต่เราจะทำหน้าที่ของพลเมืองเป็นของประชากรเราก็ต้องปกปอง ร, รักษาบ้านเมืองของเราดันั้นเราต้องดูว่าเราอยู่ใน สถาะนะไหนอย่างนักบวชนี่ท่านไม่ได้เป็นผู้เป็นผู้ที่มีหน้าที่มาปกป้องรักษาบ้านเมืองท่านสละแล้วเรื่องของบ้านเมืองบ้านเมืองจะเจริญหรือจะเสื่อมนี่ท่านไม่ได้ไม่เสียแล้วท่านมาที่การบำเพ็ญมาการรักษาจิตใจเป็นหลักเนั่นถ้ารักษาจิตใจเป็นหลักก็ไม่ต้องไปออกไปออกไปเดินขบวนไปเก่เา ถ้าอยากจะเดินขบวนก็ถอดเ้าเหลืองก่อนแล้วก็ไปเดินให้เต็มที่เลยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นนักบวชแล้วก็ต้องต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อสู้กับโมหะอวิชชาถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะสถานภาพของเรามันก็จะมันก็จะปนกันมันก็จะทำให้ทำให้การแยกแยะ ก, กันไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไร ทุกว่า น, นี้บางทีเราไม่รู้จักสถานาภาพของเราคําถามข้อต่อไปนะครับเมื่อเราทําทานมามากพอสมควรและได้ยกระดับตัวเองด้วยการรักษาศีลและการเจริญภาวนายังมีความจําเป็นต้องทําทานต่ออีกหรือไม่และถ้าควรทําต่อควรมากกว่าเดิมเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมก็คือเป้าหมายก็คือทำให้หมดนะ่ะ อย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายอย่างนักบวชทั้งหลายที่ต้องการจะทำให้หมดเพื่อจะได้เหมือนกับถอนสมอเรือเรือเราจะให้วิ่งออกไปตามไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้ามันไม่ถอนสมอเรือเรือมันก็ไปไม่ได้เนีเป้าหมายของเราก็คือต้องถอนสมอต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่ว่าจะเป็นการหาหรือเป็นการใช้เพื่อเราจะได้ ออกบวชได้เพราะการออกบวชนี้จะเป็นจะเอื้อต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นอย่างมากถ้ายังเป็นคาราะอยู่ยังต้องหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองอยู่มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญคำถามข้อต่อไปนะครับในชีวิตประจำวนันการอยู่กับลมหายใจและบริกรรมพุโทโธแต่บางครั้ง ไม่มีพุโทโธแต่มีสติไม่ทราบว่าเหมือนกันหรือไม่คำว่ามีสตินี่หมายความว่าอย่างไรถ้ามีสติก็ใช้ได้เพราะว่าการบริกรรมพุโทโธหรือการมีลมดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นการเจริญสตินี่ถ้าการคำว่ามีสติหมายถึงว่ารู้อยู่ในปัจจุบันไม่ลอยไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตไม่คิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้อยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติ เป็นเวลาบำเพ็ญไปเรื่อยๆบางทีพุทธโธหายไปลมหายไปแต่ตัวรู้ปรากฏขึ้นมาก็ให้อยู่กับตัวรู้นั่นหละอยู่กับผู้รู้ให้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้คิดปรุงแต่งไปกับสิ่งที่ผู้รู้ได้สัมผัสรับรู้ให้รู้เฉยๆสักแต่ ว, ว่าได้ยินเสียงก็สักแต่ ว, ว่าเสียงได้เห็นรูป ก, ก็สักแต่ว่ารูปไม่ไปพิภาควิจารไม่มีสัญญาอารมณ์ว่าดีหรือชั่ว ถูกใจไม่ถูกใจอรู้เฉยๆรู้รู้รู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเขาพูดปั๊บมันก็ดับไปแล้วถ้าเราไม่เอามาปรุงแต่งมันจําไม่ได้ละลืมไปละแต่ถ้าเอามาปรุงแต่งต่อมันยังจําได้ด่ามาตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนนี้ยังจําได้แบบนี้เรียกว่ามีสติรู้เฉยๆถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องใช้พุทโธไม่ต้องใช้ลมหายใจลมหายใจกับพุทโธนี้เป็นตัวตึง ให้ผู้รู้ปรากฏขึ้นมาท่า น, นั้นพอมีผู้รู้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้หลุให้ให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้อย่างที่เรียกว่ามีสติคําถามข้อต่อไปนะครับบางคนที่ชีวิตทําแต่กรรมชั่วแต่ทําไมชีวิตยังคงได้สวยกรรมดีอยู่ตลอดเวลาทําดีควรได้ดีทําชั่วควรได้ชั่ว คือผลของดีชั่วนี้มันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกมันอยู่ที่ภายในใจคนทำชั่วนี้ยามไม่จะมีความสุขย่อมเป็นไปไม่ได้ใจจะต้องวิตกกังวลวุ่นวายใจคนทำความดีนี้จะมีความสุขใจจะไม่วุ่นวายใจแต่ผลภายนอกเช่นลาบยศเสริญจะเจริญรัศมนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำดีทำชั่วเสมอไปคนทำดีแล้วไม่รวยก็มีเยอะแยะไป คนทำชั่วล่าล่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตก็มีมากมาย <c oughs> ดังนั้นลาบยศสรรเสริญสุกนี้ไม่ใช่เป็นตัวตัวหลักในการวัดแต่มันก็มีส่วนคนบางคนนี่เนื่องจากมีบุญเก่าเยอะพอพอมาเกิดก็ไม่ต้องทําอะไรก็มีส้มหล่นนี้ได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญโดยที่ไม่ต้องไปดิ่นรนไปหามาอันนี้มันมาของมันเองอันนี้เรียกว่าเป็นวิบากเป็นผลของบุญที่ได้ทํามาในอดีต เช่นเดียวกับผลที่ไม่ดีเช่นมีเรื่องวุ่นวายมีปัญหาต่างๆตามมา <c oughs> ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเป็นวิบากกรรมที่ทำมาในอดีตแต่ส่วนการทำปัจจุบันนี้ผลที่เราจะวัดได้ก็คือความรู้สึกภายในใจของเราถ้าเราทำความดีใจของเราก็จะเย็นจะสบายมีความสุขถ้าเราทำาชั่วใจของเราก็จะร้อนจะวุ่นวาย อันนี้แหละคือผลที่แท้จริงในปัจจุบันส่วนผลที่จะตามมาในอนาคตมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆทําความดีแล้วบางทีต่อไปคนเข้ารู้เข้าเขาก็ม า, าให้ผลมีการมอบรางวัลให้มีการตั้งยศตั้งอะไรให้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเข้ามารับรู้ทีหลังแล้วเขาก็เลยมาทำให้ผล มาสแสดงความยินดีเชื่อนชมกับความดีของเราแต่บางทีทำไปแล้วไม่มีใครรู้เลยก็ได้ถ้าเราทำแบบเงียเงีย้ยไม่บอกใครก็จะไม่มีใครรู้เมื่อไม่มีใครรู้จะมีใครจะมาให้รางวัลเราจะมีใครจะมาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรให้กับเราแต่คนที่ทำเงียเง้ยเยี้ยเขาไม่ต้องการของเหล่านี้เขาต้องการความสบายใจเขาต้องการความสุขใจเท่านั้นเอง ที่มีคุณค่ามากกว่ารางวีรางวัลอะไรต่างๆซึ่งเปรียบเหมือนกับของเล่นของจริงอยู่ที่ใจความสุขใจอิ่มใจภูมิใจอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงส่วนการได้รางวีรางวัลได้เ่ินขั้นเลินตำแหน่งได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รางวัล น, นี้มันเป็นของเล่นของเด็ก ถ้าใจไม่มีความอิ่มไม่มีความสุขแล้วของพวกนี้มันมันทำให้ใจมีความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำความดีจริงๆนี้เขาจึงไม่มักจะประกาศตนเองให้รู้ผู้ที่ประกาศนี้เป็นผู้ที่ยังหลงอยู่คิดว่าผลของการทำความดีก็คือต้องมีการเจริญก้าวหน้าในลาบยศสัศร์แสน เช่นบริษัทเวลาเขาทำความดีแต่ละครั้งนี้เขาจะต้องเรียกหนังสือพิมพ์มาถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์ประกาศให้คนรู้ว่าบริษัทนี้ทำบุญขนาดนั้นทำบุญขนาดนี้คนจะได้ซื้อสินค้าของเขามากมายึ้นไปอันนี้มันไม่ได้เป็นการทำบุญมันเป็นการลงทุนใจาใจใจก็ไม่มีความสุขไม่มีความภูมิใจใดอย่างใด การทำบุญที่จะทำให้เรามีความสุขใจภูมิใจนี้ต้องทำโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราให้ความช่วยเหลือเราต้องการให้เขามีความสุขให้เขามีความทุกข์น้อยลงไปเช่นเห็นที่ไหนลำบากอดอยากขาดแคนเช่นหมู่บ้านแล้วเราไปช่วยกันเขาไม่มีน้ำประปาเราไปทำน้ำประปาให้เขาทำบ่อทาเดินท่อเดินระบบให้เขา ให้เขาได้มีน้ำใช้อย่างสะดวกอย่างสบายเนี่ยเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความสุขใจแต่เราอย่าเอาช่างภาพไปถ่ายภาพแล้วก็ <c oughs> เอาไปโฆษณาต่อ <c oughs> ปิดทองหลังพระเนี่ยถึงได้บุญมากดีไหมอาจารย์รครับแล้วการภูมิใจในตัวเองมากๆถ้ามากไปจะเป็นมานณะ์ไหมครับอาจารย์ การภูมิใจถ้ามันมีเหตุให้ภูมิใจมันไม่เป็นอนะ่ะเช่นเราทำความดีเงี้ยเราก็มันก็เกิดความภูมิใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ทำแล้วเราคิดว่าเราดีเงี้ยถึงจะเกิดมานะขึ้นมาบางคนทำนิดเดียวแล้วบอกโอ้ยทำต้องเยอะต้องเนี้ยทำไมไม่ได้ผลเลย <c oughs> อ่าถามนะดีช่วี้เอ่อปฏิัติดจิตแล้วก็เิมเห็นจิแล้วหรออืมอ ม, อ ม, มั น, ม, น ม, มันมีกิเลสเข้านะคะแล้วกำลังของสติเอ่อกำลังของสมาธิอ่อนนะคะเพราะากำลังของสติก็ก็พอจะมีสติรู้ว่ากิเลสกำลังเข้ามาะะออย่างเงี้ยเาะต่อก่อนหนู จะกดนมด้อาายพระประจำก็จะมีสมัครที่บ้านจะเป็นชาขาดจักรก็นานๆจะนั่งสมัครที่มั้แต่ดมนี้ไม่นั่งเลยเพอจะเหลือสติกอย่างเดียวพอเห็นจิตที่มั น, านาสายไปเวลาที่มีกิเลสเข้ามากระทบและจิตตายหนูก็มาพิจารณาว่าเออเหตุที่มันกระทบนี่เพราะว่าเราไม่มีสติกคุมในตาหูจมูกทั้ ง, มงหมดค่ะพอ ตอนนี้หนูก็มาพิจารณาว่าบางครั้งที่หนูลองทดสอบใยการตั้งสติแล้วก็มีสมาธิฝึก ส, สมาธิคันดิกะมากขึ้นเวลามองก็ให้มีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่ในการมองบางครั้งกิเลส ก, ก็มันเข้าก็คือรู้ล้กลายเป็นว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินแต่พอมาคิดอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมเออ่ ทุกอย่างแม้แต่สติบางครั้งมันก็ไม่เที่ยงมันมันก็บังคับอัญชาอไม่ค่อยได้บาง ท, ทีก็เกิดบางทีก็่เกิดเนาะแต่เหตุหจักใจที่ททเฉพาะทำให้ถูกกระทบแต่แล้วก็มาพิจารณาอีกว่าอ้าก็เพราะว่าเราขาดสติแลแะสมัครใตรงนั้นมันก็เลยเข้าพอเข้าอี น, นี้ปับ๊บเพียงแค่เห็นวัดเดียวแม้แต่หลับตาหรือเหตุการณ์นั้นผ่านไปในการเป็นสัญญา แล้วนำมาปุมแต่ต่อบางครั้งมันไปรบกวนในขณะที่เรานอนสติในก็ไปตามสอนในใ น, ในขณะที่เรานอนหลับอะค่ะเขาบอกโอ๊ยอันนี้ไม่ถูกนี้ถูกมันมีความรู้สึกว่าเหมือนจะลองคาญแต่ก็มามาคิดว่าเอ้ยหรือเพราะว่าเราขาดสมาธิฟปองเงี้ยหนูนเลยอยากยืนถามว่าจริงๆแล้วสมาธิสติและปัญญาทั้งสาม คนจะมีกำลังที่เท่ากันเสมอในการคือทุกอย่างมันเริ่มที่สติเป็นเป็นเป็นเหตุเนี่ยถ้าสติเราไม่ต่อเนื่องสมาธิเราก็ลุ่มลุมดอนๆอนสงบบ้างไม่สงบบ้างปัญญาเราก็ทันบ้างไม่ทันบ้างถ้าสติเราต่อเนื่องสมาธิเราก็จะต่อเนื่องแล้วปัญญาของเราก็จะต่อเนื่องนั่นเราต้อง <arc> เจริญสติทุกเวลามเวลา ควบคุมใจให้มีสติคอยคุมไม่ให้ปล่อยให้คิดเลืล่อยเปลื่อยไปตามสัญญาอารมณ์ตามตามตามสิ่งที่ได้มาสัมผัสรับรู้สัมผัสและรับรู้แล้วก็ให้ปล่อยไปผ่านไปสักแต่ว่ารู้อย่าเอามาคิดปรุงแต่งถ้าเอามาคิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะเกิดกิเลสเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าสักแต่ว่ารู้ได้ยินปับ๊บมันก็ดับไปเห็นปับ๊บมันก็ผ่านไป มันก็จะไม่มีสัญญาอารมณ์ขึ้นมาถ้ามันจะปรุงแต่งเราก็แสดงว่าสติเรายังมีกำลังไม่มากพอเราก็ต้องอัดสติเข้าไปพุโทโธเข้าไปพอมันจะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุโทโธพุโทโธเข้าไปเอาเดี๋ยวมันก็หยุดคิดมันก็จะสักแต่ว่ารู้ต่อไปได้นะงั้นเราต้องพยายามหมั่นจเจริญสติให้มันเป็นสัมปชัญญะคือต่อเนื่องไม่มีเวลาเผลอเลยไม่มีเวลา หายไปให้มันเป็นมีอยู่ตลอดเวลาเป็นมาหาสติไปเลยพอเป็นมาหาสตินั่นก็จะเป็นมาหาปัญญาปัญญาก็จะเป็นมาหาปัญญามาหาสติมาหาปัญญาปัญญาก็จะทันกับกิเลสทุกเวลาที่มันปรากฏขึ้นมานีนี้เวลาตอนที่อะไรที่มากระทบถ้าปัญญาจเจริญถึงในรอบที่สามารถป่อยรังได้เวลา ม, มันากระทบเราก็สัเว่ารู้แต่ไม่ม ก็ถูกแล้วก็ปล่อยวางไม่มีอารมณ์ใจเป็นอุเบกขาใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยได้เงินมาก็เฉยเสียเงินไปก็เฉยเท่ากันเพราะพิจารณาว่าของพวกนี้เป็นของนอกใจมีก็ได้ไม่มีก็ได้สิ่งที่ต้องมีก็คือสติสมาธิปัญญาเท่านั้นมีความสงบเท่านั้นที่เป็นสมบัติของใจส่วนของอย่างอื่นนี่ไม่ใช่เป็นของเป็นสมบัติของใจ จะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ถ้ามีปัญญาจะเห็นอย่างนี้เข้าใจไหอพยายามไปถึงจุดนั้นให้ได้ไปถึงจุดที่เราวางเฉยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเป็นใครจะตายก็เฉยเราจะเป็นเราจะตายก็เฉยเฉยกับทุกอย่างคำว่าเราก็คือร่างกาย เราจริงๆไม่ตายเราคือใจไม่ตายแต่ร่างกายของเรานี่มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจเราเฉยได้หรือเปล่าถ้ายังเฉยไม่ได้ก็แสดงว่าปัญญายังไม่ทันสมาธิยังไม่มีกำลังสติยังไม่ต่อเนื่องงั้นเราต้องพยายามเจริญสติไปให้มีอย่างต่อเนื่องและไปสร้างสมาธิก็จะรวมเป็นอัปปนาสมาธิพอออกจากสมาธิมาก็สามารถใช้ปัญญา รักษาใจให้สักตวารู้ได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือหลักของการภาวนาต้องมีทั้งสามสามส่วนนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือสติเป็นตัวที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาตามมาต่อไปอย่างนั้นต้องอย่าเผลอสติเลยต้องคุมใจต้องพุโทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก หรืออย่างใดอย่างหนึ่งสติมีหลายแบบพุดโธก็ได้ลมหายใจก็ได้ดูร่างกายก็ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นสติเรียกมอนานุสติกราจัยแลวนะ ม, มีใครอยากจะถามยังไงอ่าว่ามาเมือม่ อ, อก่อนไปท้องนั้นที่ขนสายสามวันใช่ไหมคะวันแรกก็รู้สึกว่าอารมณ์มั น, น, ามนกายเบาใจเบาสบาย มันสุดท้ายคือที่สามสุดุ้งซ่นมาก้ว่าตวงเอาไม่อยู่นเช้าต่อมาท่านอาจารย์เรยบอกว่าเออมาคัานายังไงนะมานั่งคิดวางแผนพอกายวันออกบนใจมันเริ่มฟุ้งแล้วไงเอ๊ะจริงอย่างที่ท่านพูดตอนฟุ้งจแก้ไม่ตกแล้วก็เออก็ฟุ้งไปสติแตกไงไม่ไม่ยอมไม่ยอมดึงดึงสติกลับมาไม่ยอมพูดโทยให้มันฟุ้งมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่เดี๋ยวามาตอนนั้นคิดไม่ออกอยู่จะแก้มันยังไง ะาาาามมมเอทไ่กรนั่นแหละเส้นผมบางภูเขาแท้ๆเรามาก็มาเพื่อมาพุทโธแท้ๆยังลืมไปได้คิดเด้อกิเลสมันเก่งขนาดไหนวันนี้มาแล้ววันนี้ก็มาพียรอีกมุมหนึ่ว่าตอนแรกที่เรามาครั้งแรกเนี่ยเออกลเบาใจเบาสงบดีนะแต่ว่าสุดท้ายนี่กับคุ่งสร้างที่ตรงกันข้ามกันเลยแต่ถ้าเราดึงกันมาอีกนิดนึงว่าเออสิ่งที่เราฝึกเนี่ย เมอามาฝึกที่ตัวผู้รู้เพื่อรู้อารมณ์มันละมันสงบหรือไม่สงบคืงมันนี่นันก็คงจะดีขึ้นใช่ใชถูกแล้วดึงกลับมาดึงใจกลับมาอย่าปล่อยให้ปรุงแต่งให้กลับมารู้เฉยเฉยให้นิ่งให้สงบถ้าดึงดึงด้วยพุทโธก็ได้ดึงด้วยการสวดมนต์ก็ได้หรือถ้ามีสติก็ดึงมาได้เลยถ้าสติมีกําลังถ้ามีตัวรู้อยู่ก็ดึงกลับมาหาตัวรู้ ให้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวแต่สังเกตที่ผ่านมามันมรมใครความนึกความคิดตรงไหนครถ้าวางใจไม่เป็นใามันคงจะดีขึ้นใช่พระที่ตัวพุ่งพุ่งขึ้นมาตรงไหนว่ามันสงบมันสงบมันพุ่งเลยแต่มันลืมไงมันเผลอมันไปติดกับกับของความคิดปรุงแต่งแคยคิดถึงงานที่เราจะไปทำเหมือนก็เลยนั่งฟุ้งอยู่เรื่องงานนันแต่วันแรกแรกไม่ฟุ้งเพราะเราตั้งใจอย่าไปภาวนา พอวันสุดท้ายจะออกนี่มันเตรียมการเลยจะไปกินนี่ไหนดีจะไปดังนเราควรจะไปแบบไม่กลับถึงจะดีจะได้ไม่งไม่มีวันกลับไม่มีวันกลับบวแบบไม่มีวันศึก พวกที่บวชเนี่ยพอเริ่มตน้นก็ขยันเดือนแรกขยันพอเข้าเดือนที่สองชักจะแผ่วแล้วพอเดือนที่สามนี่เริ่มฟงและ้ะเริ่มเตรียมหากางเกงหาเสื้อ <laughs> แล้วด้นบวชล้วต้องไม่ศึกแต่เนี่ยบวชจริงทุบหม้อข้าวเลยไม่ถอยหลังนะเราไปกินเราไปตายดาบหน้าถ้าไม่ชนะก็ไม่กินละ ถอย่างนี้มันก็เ ข, เข้าๆออกอย่างนี้สามวันดีสี่วันไข่ <c oughs> ก็ยัง ไ, ไปไม่ถึงไหน <laughs> ถ้ามีกำลังมันก็ไปไม่กลับแล้ว <laughs> เอาทำต่อไป <laughs> <c oughs> ออกตัวนแล้วค่ะถ้าใจกำลังใจก็ใกล้ๆจะออกทุกคนมีใจใกล้ๆเออเหมือนคนติดคขากําลังจะถูกปวดปอดปวดปอดว่าแผดกันแล้วจะไปหาใครดีจะไปทําอะไรดีอืเราต้องมองไปว่าการปฏิบัติของเรานี้ไม่มีการถอยหลังแต่อย่างว่าตอนนี้ก็ยังต้องเข้าออกอยู่ก็ต้องยอมรับกับสภาพไปก่อนแต่ถ้าอยากจะให้มัน เป็นผลดีไปตลอดเนี่ยเราต้องเดินไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวไม่มีการเดินกลับถอยหลังแต่ตอนนี้เรายังไปไม่ได้ก็ต้องรับไปอย่างนี้ไปก่อนยังดีกว่าไม่ไปเลยเออไปสามวันกลับมาอยู่สองวันแล้วกลับไปใหม่ก็เข้าๆอาๆอกๆอยนี้ไปก่อนจนกว่า จ, จะเบื่อแล้วว่าไปก็ไม่กลับดีกว่า <c oughs> เพราะว่ามาถึงจุดที่ไรมันเหมือนกับว่าคิดไม่ออกสักทีตงตรงจุดตรงนั้นพอดีนะคะเห็นว่ามกลับมาแล้วโอแล้วนึกีนึงย้อนหลังมันน่จะแค่อย่างนี้อย่างนี้ก็ลองกลับไปทําใหม่กลับไปทําใหม่พบกับพอมันเกิดเหตุการณ์จริงๆก็ลืมอย่างเี้เพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์นี่ยมันมือนถูกสะกดจิตเมันไปกับมันเลยลืมหมดเลยนั่นต้องพยายามฝึกบ่อยๆฝึกมากมาก ต่อไปมันก็ได้เองอ่ะนะตอนนี้เอาประสบะการณ์มาเป็นบทเรียนมาสอนเราว่าเราผิดพลาดตรงไหนคราวหน้าเราต้องไม่พลาดอีกกลับไปคราวหน้าพอมันจะไปตอกหลุมนี้ปั๊บก็ต้องดึงเราออกนะโอ้ <c oughs> ไม่ใช่นะทางนี้ไม่ใช่ทางไป <c oughs> คิดไม่ได้ไว้มันเป็นอนาคตอย่าพึ่งไปถึงอย่าไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันร <c oughs> อให้ถึงเหตุการณ์ก่อนแล้วค่คิดก็ได้ออกจากวันแล้วไปแล้วค่อยไปคิดก็ได้ ตอนอยู่ในวัดอย่าเพิ่งไปอยู่ข้างนอกวัดร่างกายอยู่ในวัดแต่ใจมันไปนอกวัดแล้วคุณไดว่าสติตอนนั้นที่เราไม่ไม่ถึงหรือไม่ทันมันวัตสิเราไม่ทันมันใช่ไหมทท่านก็ไม่มีสติเลยไม่ใช่ไม่ทาปัญญาไม่ทันสติไม่มีกันใชไมถ้ามีสติปัญญามันก็อาจจะทันก็ได้ไม่ทันก็ได้ แต่อย่างน้อมีสติมันก็อย่างน้อยก็ยังพอจะดึงมันไว้ได้อยู่แต่มันไม่ตายท่านั้นเองแต่ถ้ามีปัญญามันก็ตายตายด้วยปัญญาแต่ลังดลังด้วยด้วยสติดึงมันไว้ด้วยสติแต่มันยังไม่หมดแรงจะมันมันจะหมดแรงแต่อเมื่อเราใช้ปัญญาฆ่ามันอ่ะปฏิบัติไปนะเอ คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด